โอ้เห็นออกตนญยติโน้มจากฝอนแกนผู้เฒ่าผู้แกอผู้สูงอายุเออบริษัทผู้เฒ่าผู้แกน้อผู้สูงอายุมั้งเอามีอย่างเดียวหลวงพ่อยจะบอกอยัางให้ฟังเ น, นื้อบาดนี้หน้ามีเวลาบอกคงจะบวรีบมั้งบวรีบมากมั้งท่านบอมี่อย่างรีบมากเดียวหลวงพอ่อยจเบอกอยัางให้ฟังเพราว่าอะไรหลวงพ่อจีแจกหนังสือเอ็มที่สาม ติดกระเป๋าไปฟั่งในบ้านอีกคนนึงไปมีเอ็มพีสามแล้วก็มีรูปแล้วก็มีหนังสือด้วยหนังสือหนังสือตอตอต่อวไปเออตอตอต่อเนี่เป็นยังไงนอไรบ้าอะไรมีเ่ยมีมีตนใหม่เนี่ถ้าเปิดเขาไปข้างในเหอต่อต่อตอเตรียมตัวตายวันหน่งหนังสือเตรียมตัวตายวันหนไป เตรียมจะนเตรียมตัวตายเนี่ยเขียนไว้เขา mm. เข า, เขาย่อมาจากนี่เขาบอกเขาเขียนนั่นเขบอกว่าต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดแมนบลลงไปเเอเอเอต้องคิดไว้เป็นภาษาใจบ่กเป็นภาษาคำพูดเนีย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 อแค้นว่ ANS าเกลียดโกรธเครียดในภายเกิดพกเครียดหลายคนไปบางค่านเครียดในเขาจนเสียนเลือดไม่ในสมองจนของแตกตายไปนีงเขราะมันเครียดหลายคนไปถ้าแล้ว่สิเครียดก็ยังก็เราโดเดียวคนไปอีกสักมือหนึ่งเขาสีตายจากห้องเขาเสีตายจากเขาอยู่แล้วคนไปเอ่นั่นเท่าคิดถึงตัวนี้ถึงบ้านอุณหภูมิในจิตใจของเนี่าจะลดอจะลดลงเพบาโกรธมากกว่านนไปนี่นะให้คิดไว้ยุเสมอพวกพู้ใจเจ้าคนบอกว่า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 หลวงพ่อบอกเออท่านคงไปถามปัญหาที่อื่นมาพอแรงแล้วละ่ะจะมาถามผมถึงจะมาถามรองเชิงเท่านั้นแหละผมไม่ตอบว่ไม่ใช่ผมอยากจะถามความเห็นของท่านอาจารย์ผมถามบุื่นผมก็ถามแต่นี่ผมอยากถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์จะตอบว่ายังไงที่คําผมจะถามนี่ท่านอาจารย์จะมีความเห็นว่ายังไงเราก็อืมเอาไอ้เรื่องความเห็นมันก็ต้องมีความเห็นนะครับถามได้ว่ะ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 เอออันนี้น่าคิดวิววะเอออันนี้โรงพยาบจะตอบไม่มีแล้ววันหน่งฟังบ้างได้ว่าะโรงพยาบาลจะตอบว่าอย่างไหนวันหนึ่งมาในปัญหาที่สองบานเนี่ยผมมีอาการป่วยหนะักใจผมจะขาดผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วจะให้ผมภาวนากรรมฐานอะไรกําหนดใจยังไงพิจารณาอะไรในเมื่อใจจะขาดนั้นจึงจะถูกต้องที่สุด ในความเห็นของท่านอาจารย์หลวงพ่อก็ตอบเป็นนิคือการนอนลงไปเมื่อใจสิขาดสิคืดอย่างไรมันยังคิถูกต้องวันลงไปคือภาวนาอย่างคือยึดกรรมฐานาอย่า ง, าาางมามาเป็นกรรมฐานมาภาวนาในในจุดนั้นวันลงไปหลวงพ่อก็ตอบเป็ น, นี้ปัญหาที่สามเขาถามว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขดีแต่ผมคิดว่าถ้าออกไปจากครูบาอาจารย์ ไปภาวนาอยู่ตามลําพังคงจะมีเวลามากกว่านี้คงจะภาวนามีเวลามากกว่านี้แต่นี้รับภาระในวัด อ, อก็มันภาระมากอยู่เพราะฉะนั้นจะจะหนีออกไปภาวนาตามลําพังคงจะปฏิบัติดีกว่านี้แต่นี้ผมกลาคูบาอาจารย์ไปอยู่ตามลําพังพอไปอยู่เข้าไปผม ก, ก็ตกรับภาระเลยเวลาแก่คนเข้ามาหาคนนั่นเข้ามาหาคนนี้เข้ามาหา ผลที่สุดผมก็จะต้องดูที่พักพาอาศัยของเขาที่อยู่ที่กินของเขาใจของผมส่งออกส่งออกส่งออกผลทีออ่ ส, สุดผมอยากจะสึกกินง เ, เพราะมัญใจมันส่งออกนอกมันอยากจะสึกทนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเนี่ยนีกว่าสามปัญหาเอานะครับคนนั้นพวกเข้าฟังคนนั้นวเาหลวงพ่อตอบขว่าจังไงเอาไดบ๊วยฉเฉลยว่าต่อปัญหานี่ ไม่แต่ว่าคำถามของเขา่าเขาถามอย่างมดทั้งไปอหลวงพ่อก็ตอบอยู่ในหลิกเราเนะแต่นชวนอื่นก็หลวงพ่อก็เงี่ยเรื่องนี่แหละจะเน้นไปนในทางเรื่องที่ทําใจอย่างไงรกิเหตุอย่างไรกวนคิดอย่างไรในชีวิตของพวกเฮาหลวงพ่อก็เคยเตือนสัทธญาญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าสม่ําเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจังมนีแหละผ่านโลกมานุ่มนาน่น ผานการทำมาหากค่ขาขายผ่านไอ้ยังไอ้ยังมา้าหลายหลายอยางบางคนนะแต่บางคนก็มีอุปสรรคบ้างบางคนก็สุขบ้างทุกข์บางแต่บางคนก็ทุกข์มากทุกข์น้อยต่างกันแต่ว่าถึงจังไหนก็ตามมหันต์แต่ไมหันตทุกข์อยู่ทังหนาห่อหนี้ต้องเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนอย่างลุงปู่บัวหลุงปูบวยหน้องแสงเลยที่เป็นรุ่นหลุงปูขาวเนี่ อายุแปดทิศทอ่อกันกับลงภูเขาวเวลาเพิ่นป่วยตอนเพิ่นจะจากตอนเพิ่นจะทิ้งขันนะตอนเพิ่นจะทิ้งขันตอนเพิ่นจะตายเพราะว่าเพิ่นเป็นถ้า ม, มันขูมเงก็จะว่าเป็นมะเร็งในถาว้านกันไปติดที่ดวงใยเป็นมะเร็งมันเนี่ยมันออกฟ่อนเนี่ยออกแสบออกคอนแต่ว่าเพิ่นเนี่โอ้เด็ดเดียวบ่อไห่พานี่นเข้ามาไกลเลยยกมือเลยอย่ามาไกลเราจริงนอนขึ้นสามลําพังให้นั่งอยู่ประตูคนนะ ข้าหนาวห้องอยากได้องห้องจียกมืออยากขวยเขามาอยากขวามาเฝ้าห้องนางยุพุลคนเดียวว่านางย่พุลวันทีเพ้นจากชั้น น, าน้าไม่ได้บ่พระต้องเบิ้งจ้องอยู่ตลอดแลยเไปเ<ม>ขา้านาน้าพอน้าเส้นเลอออกไปยู้คนคนัดียเอีอ่จ้นานันแหละแต่พ้นก็ บ, บอกได้บ่นะตำรวจพระเอ้ยพระเนีนเ่ยอย่าไปถือว่าร่างกายนี่มีเป็นสวรรค์ดีมานเด้อ โมเมนต์มงทีสุดแล้วอันนี้นะนี่ละกองทุกขัดขัดมหันตะทุกที่สุดอันนี้คือกล่องไฟกล่องเพิ่งเนี่ยในข้าวนี่ยมันเป็นกลองเพิ่งเพิ่งมันเผาเนี่ยทุกที่สุดทือว่างานทางหลายทางปวงที่เขาเหตุมากเป็นฆราวาสญน่าโนมที่ว่าอันนี้ละทุกที่สุดยังสูตตัวนี้ว่าไรบ่สู่เสียวหนึ่งของชีวิตที่มันจะจากไปเพราะะนั่นยาตั้งอยู่ในขวอมประมาทนะเออให้เบิ้งจบของไว้นะให้พ่วันหน้าไว้นะ เออแล้วมีเน่ยองหนึ่งนั่งอยู่ประตูองนั้นคนบอกให้ลงฟอฟังเลยคนเน่ยมีเน่ยเจ้าหน้าทีมันมีสองดานได้เออดานหนึ่งดานสองคือด้านหนึ่งน่ยอยู่ไกลอยู่นั่นไปดานที่สองอยู่ไกลข้านว่าด้านที่สองนี่แปลว่าไอ้ไปบอกมู่ไปองคนั้นก็ต้องแล่ไปบอกหมู่นั่นไปองนึงก็ป่อยไปทา่านัไปเออบานนี่อง์ที่องด้านแรกกันี่ยก็นั่งเบิ่งนั่งไปนั่งมากกัเมื่อยเครื่องขึ้นมาวนั่นไป ว้ายหลวงปู่เอ้ยโอ้สันเดกับหูกจ้าก่แล้วผ้าล่าหฮาเวปันจากขันท่าขันทั้งหาเป็นพลอันนักกะจิเอาไหวยหยังขันวามันบเป็นทากันสิมมัสกาแล้วตัวฝนว่าเีนเนนใหญ่เด้นวห่ยคืดวาว่เลยออสิมมัสกาแล้วตัวหลวงปู่หลวงปู่เขาก็ว่าเป็นพลหันผมแหง่อยจะเอาไหวเฮียหยังจไปหาทุกเฮยหยงเนนอนแซ่อยู่นี้สันเด เออเพราะมันเจ็บมันปวดก็รอดกว่าเด็กกยังบ๊ถิ่มวันนี้บาถ้าว่าเออเน้นมานี่วัน้เน้นหนีวันน้ยามานังแขวนี่ยวันนมันเป็นเรื่องของเขานี่นะว่านี้มันเป็นเรื่องของเจ้าวันนี้ชิบฮาวขึ้นยำยินไส่จุ่นนีวันนี้แมวเออโอ้ยผมตีแรกผมก็คิดว่าโอ้ตายตาเข้าขึ้นิดแล้วบาดนี่หลวงปูเนี่เป็นะราหันแๆเลยพนัวได้บาด ขนาดเท่าชิดแท้ๆลงปูยัยงหูจัดกว่าจะเนี <c oughs> เออมาในพปกผ้าแต่คือเมาเ อ, อไาไปปกผ้าที่เฝาดทางนอกเอ้าเล่นเหมือนว่าจะเจ้าไปวโป้ยังกับเพิร์ดมาสิบบอลแล้วผมบอได้บอลแล้วผมก็ะเพิร์ดอยู่คนอายุ ป, ประตูคนาานา้าว่าจะเนีผมก็ะเดว่าเออลงปูว่าลงปูเป็นพลทหัรเล้ถิมธาตุขันในง่ายๆสิเจียมหาอยู่อย่างหูเจ้าธ า, า, าตุขันพลาฮัเว็บปัญจขันท่าขันตั้งหาเป็นพระอันนักอยู่แล้ว เป็นอยังไปหาอยู่ให้ยังไงถิมวุ้นแหลวก็แล้ ว, ลวตั ว, อ, ตว อ, อ่าสันเออคนก็เลยเอิอดผมเขามาแล้วสันยาหิบห น, นะนีนเนี้มาสันยามาอยู่แถวเนีน้น่มันเป็นเรื่องของเข้านะเนาะสันเปันว่าหลวงปูว่าจิมถิมแล้วมันถิมเป็นเรื่องของเข้ามันเป็นมีบาทของเข้าอ่ะสันเนี่เจ้เายามาหาเนี่ยจะมาหาคิดซอยห่าอา่ะสันปัญวาปัญดาปันดาเนีน่ยมาทั้งไปเนี่อะไรก็เลยบอกดูเหมืนที่เป็นสมพ่านนี่เด้ยังเป็นสมพ่านเอี่อ้หลวงปู ตอกตอกตอกฟันหูจักจิบใจฟนขักขักเกลีวสันตรงปูบัวเนียวสันเจี๊ยนเนี่อนผมไปยังคือดอยู่บาดเนี้ยโอ้ยแตงแต่เหมือ น, นันมากผมระวังฟ้อมคืดขนาดเล่คนวะ <PUBG> นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องของธาตุขันนะคือธาตุขันร่างกายเนี่ยในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแกพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะร่างกายสังขารเนี่ยไม่ใช่สวรรค์ที่มานี่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 ในช่วงที่ใจจะขาดนั่นนะไม่มีใครมาบอกมีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่เหนือเวทนาอย่างหลวงปู่คําตันอย่างนี้ยหลวงปู่น้องแซงยังนเนี่ท่านพูดดเลยโอ้โหทุกจริงๆนะจุดจริงด่านนี้เป็นด่านหินจริงๆริงวันนั้นเวทนาตนัวนี้แต่แต่พวกเราเจ็บแข่งปวดขาธรรมดานะั่นเป็นเหรียญเหรียญพวกเหรียญหลานเหรียญเวทนาอันนี้มันปูทวดจริงจริงที่จะมาบีบคอเราเนะี่ยเหมือนท่านว่านะ พอยนั้นให้พวกเราคิดเอาไว้ เ, เตียมเอาไว้คิดเอาไว้ในภาวนาเอาไว้ถาว้าพวกเราเตียนตัวไวล้ลถึงจะเวทนาจุดไหนมาก็มาเถอะวานนั้นเอ่เอมันแค่ตายเท่านั้นแหละไม่เหลือจากนั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะการดำรงชีพการธรมาหาเลี้ยงชีพก็มีความจำเป็นคือพวกเราเกิดมาแล้วก็ต้องสอบสแสวงหาปัจจัยสี่ ปัจจัยสีคืออะไรอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บและก็ที่อยู่อาศัยอันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีและจะได้ปัจจัยสีมานั้นจะได้โดยวิธีอย่างไรก็ต้องสอะแสวงหาทรัพย์ตั้งแต่เรียนหนังสือจากนั้นมาทำการทำงานมีเงินดําเงินเดือนแล้วก็ทำมาค้าขายสอบแสวงหาเงิน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 ราบรื่นด้วยปัจจัยสี่ให้ทุกยากลำบากอันนี้คือพวกเราหาแต่หลักของพุทธศาสนาท่านให้สอนให้ลึกเข้าไปคนนั้นอีกว่าเมื่อได้เงินคำทรัพย์สมบัติแล้วก็ควรจะดูแลสุขภาพกายออกกำลังกายพักพร น, นอนเป็นเว ล, เวลาอันนี้ก็คือแพทย์หมอเขาแนะนำสั่งสอนอีก เ, อเรียกว่าสุขภาพกายให้รักษาสุขภาพออกกาลังกายที่พวกเราก็เห็นดาาดื่น ออกกำลังกายตอนเช้านะบางทีก็เดินบางทีโข ว, วิ่งสุดแท้แต่หมอจะแนะนำให้ทำอย่างไรออกเวลากำลังกายมากน้อยแค่ไหนแต่บางคนก็ไม่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควร เ, ออเพราะว่าขี้เกียจนะอย่างนี้ก็มีแตนะ่แต่ตามไม่จริงก็ควรจะปฏิบัติเพราะว่าเหตว่าถ้าหาว่า ส, สมมติว่าเราจบ ส, สวงหาทรัพย์ได้เงินมาม า, มากแต่สุขภาพกายของเราไม่ดี ให้เราคิดดูซิว่าเป็นเอมามเพิกอัมาพาดใช่ยังนี้ถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านสุขภาพเป็นดีพวกเราคิดดูซิไปหยอดข้าวต้มไปกินข้าวต้มมีแต่ให้น้ําเกลืออยู่ในโรงพยาบาลน่ะพวกเราว่าหาความสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้เพราะว่าสุขภาพกายของเราไม่ดีแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเข้าไปอีกว่าให้รักษาสุขภาพจิตเนีอ่อการสะแสวงหาทรัพย์การออกกําลังกาย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 คนเป็นโรคคิดมากอย่างเนี้ยนโรคคิดมากต้องไปหาหมอแล้วก็ไป น, นั่งสนทนาปาลบกับหมอไปพูดอะไรให้หมอฟังหมอก็แนะนําบ้างแล้วก็เอายาให้แต่เมืองไทยโดยมากมีพระสงฆ์งในวัดวาศาสานาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเขมาหาหลวงพ่ออย่างนี้แหละนถ้าจะว่าไปหลวงพ่อนก็เป็นหมอจิตเวชเหมือนกันแต่หลวงพ่อนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 ไม่ให้ปุงฟุง้งซ่านแต่ว่าพวกเราคิดปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกมิเตคิดมิตตปุงมิเตปุงมิเคิดนะอคนที่คิดปุงฟุ้งซ่านมากๆสุขภาพจิตมันจะแย่เสียทิ่งพอสุขภาพเสียน่ะเหมือนกับว่าวเชือกขาดทิ่งมันลอยลมไปเลยทิ่งสุขภาพจิตแย่เอาอยัางไงกับผลที่สุดก็ได้ส่งเข้าศรีทางยามหาโพลอะไรทิ่งโรงพยาบาล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 เราจะได้ประโยชน์อะไรอีกสักวันนึงเขาคนนี้จากเราเราก็จะหนีจากเขาอยู่แล้วเเพราะนั้นที่มันไม่ลำบากหรือมันไม่เกินไปเราก็หยวนให้อภัยเอแล้วก็ทําให้ถูกต้องตามกฎกติก า, านั้นนั้นนี่แหละถ้าว่าพวกเราคิดในใจอย่างนี้อุณหภูมิในจิตใจของพวกเราก็จะลดลงถ้าจะโกรธให้แก่ใครก็จะไม่โกรธมากถึงจะรักใครก็ไม่รักมากเพาะงั้นท่า อีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องหนีจากเราอยู่แล้วถึงจะโกรธให้เขาเขาอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องหนีจากเราเราก็จะหนีจากเขาอยู่แล้วไม่รู้จะโกรธไปทําไมแต่บางคนไม่เป็นอย่า ง, งานั้นถ้าโกรธก็โกรธพยาบาทอาฆ า, าตจองเวรเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายจากโลกอย่างนั้นนะแต่ไม่มถึงร้อยปีนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนเราบังานแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องหนีจากกันเพราะนั้นท่านจึงให้คิดไว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 อปล่อยปะละเลยมีแต่ทำรรมาหาเลี้ยงชีพมีแต่ปล่อยจิตปล่อยใจสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไปทีละวันละวันผลที่สุดเมื่อเท่าแกชา่ชราอเมื่อเท่าแก่ชรามากกว่านี้น่ะสติของเราก็เหมดไปกว่านี้ลูกหลานเขาไปทำการทำงานทำทำตามหน้าที่ของเขาตัวเองก็อยู่บ้านจิตใจก็ว้าเ ว, วอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมก็เหยีไปเพราะว่าใจของเราไม่มีหลักเพราะฉะนั้น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 คิดถึงพอ่อโอ้พ่อเนี่ยทำอย่างง่ายรู้สึกว่าห่างเหินวัดเหลือเกินชวนไปวัดก็ไม่อยากจะไปแต่เขาไม่คัดค้านหรอกแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ลูกชายนับถือพระพุทธเจ้าวัวนหนึ่งก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าก็พร้อมกับพระสงฆ์มาฉันในบ้านพอฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์มาที่บ้านใชไมล่ะพามที่เป็นบิดาของนายช่างทองไม่เข้าไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเข้าไป อเพื่อเข้าไปเพื่อฟังฟังฟังเทศพระพุทธเจา้าแล้วฟังแนวความคิดของพระพุทธเจา้าพอเข้าไปแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่าพราหมณ์ท่านได้คิดไว้หรือยังท่านจะได้เดินทางไกลนะพราม์จะต้องเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่งได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้หรือยังสเสบียงเดินทางที่เตรียมไว้เพียงพอหรือยังเมื่อเดินทางน่าจะไปพักที่ไหน ได้คิดไว้หรือยังต้องได้คิดไว้นะถ้าไม่คิดเอาไว้ล่วงหน้านะ่ะทุกน้ำพานมะท่านต้องทุกข์ลาบากนะเอเหมือนกับเราจะเดินทางไกลเราต้องเตรียมเงินไว้ในกระเป๋า่ผ้านุ่หมร่มรองเท้าเออย่างเนี้ยหมวกอย่างเนี้ยเราจะต้องเตรียม ใ, ใส่ที่จะเดินทางนี้ท่านได้เตรียมไว้เลยอย่างอันนี้ท่านจะต้องเดินทางข้ามภพข้ามชาตินะท่านจะต้อง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 จากนั้นทามเกิดความสลดสังเวชใจจากนั้นเขาก็เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมออแล้วก็ปฏิบัติธรรมเขาก็ได้สําเร็จเป็นพระสุวัาบันเหมือนลูกชายของเขานี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนี่แหละพวกเราน่าน้าฟังหน้าน่าสนใจน่าศึกษา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 ถ้าเราเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของพระศรีสัอย่างพระเจ้าสุอโภทนั้นท่านจะคิดอย่างไรพาอลูกชายคนเดียวหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นผู้ครองราชแล้วก็เป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างแต่หนีออกไปจากเวียงวังกลางคืนอีกต่างหากไม่รู้ว่าไปที่ไหนแ อ, อย่างนี้น่ะแล้ว บ, บริวารประศพนิกกรทั่วประเทศจะคิดอย่างไรทาไมศิ ท, ธทัธรจึงหนีออกบวช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 แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงในวังอย่างนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดได้เพราะเหตุไรเพราะภาระภุรจิจภุรมันมากดูแลการทามาค้าขายดูแลบริษัทบริวารดูแลประเทศชาติดูแลคนในเวียงในวังทหารตำรวจลักฐาทุกสิ่งอย่างเพราะท่านเป็นผู้สิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวพราะไปเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นถ้าเราอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่มีโอกาสคิด ท่านไปเห็นสมณะคือนักบวชนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธินิ่งอยู่องค์เดียวเออถ้าว่าเราได้มานั่งคิดอย่างองค์เนี้ยอย่างพระองค์เนี้ยเราก็คงจะหาแนวคิดได้ดีเพราะนั้นท่านเห็นสมณะเสร็จแล้วท่านกกลับมาในเวียงหวังนั่นแหละจากนั้นพระองค์ก็บอกณายฉันนะเ อ, อให้เตรียมมา้ากันขะกะไว้นะเ อ, อเดี๋ยวเราจะหนีแล้วคื น, น ย, ยาบอกใครนะนี่แหละพระพุทธองค์จึง บอก น, น, นายชนะเพียงผู้เดียวจากนั้นก็ขึ้นมากักนทกการแล้ววิ่งออกจากไอ้กรุงกบินละพัฒเวลากลางคืนไปเลยถึงกรุงราชสักขืเหมือนกันเถอะในทุกวันนี้ท้าว่าใครไปเมืองอินเดียเขาบอกว่าจากกรุงกบินละพัฒเนี่ยไปถึงกรุงราชสักขื้นประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะเนี่ยถ้าสองรอยกว่ากิโลนี่แหละจากวัดนาคำน้อยไปถึงเมืองขอนแก่นเหมือนกันเถอะ เ, เมืองศพขอนแก่นลจากนี่ไปเอีแปลว่าชีดทานเนี่ยนั่ง ขี่ม้ากันตะกะเที่ยงคืนบึงตะพึตะเพือเ่ออะไรเหมนกันเถอะเออองจิตโจรทยานอย่างเต็มที่น่ะเออพอไปถึงแล้วก็ไปถึงแม่น้ําอโนมาอ อ, อนุมาหนาทัทีก็ถึงฝั่งแม่น้ํานั่งพักเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยก็จากนั้นก็พระ อ, องค์ก็ได้ผ้าแล้วก็ขี่ผ้าออกมาแล้วกัเออพระ อ, องค์ก็ปงองพระเกษาด้วยพระแสงดาบตัดพระโมลีด้วยพระแสงดาบพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกันกะ็ใส่ชุด ผ้าผมผ้าย้อมฝาดผมผ้าย้อมฝาดจากนั้นก็บวชเป็นพระแน่แน่จากนั้นก็ศึกษาค้นคว้าแน่ศึกษาค้นคว้าอยู่หกปีอยู่ตามลําพังแน่ศึกษาอยู่ที่แม่นาไออยู่แถบตันเหล่านั้นเถิดแนทีนี้ในก า, การศึกษาค้นคว้าหกปีนั้นท่านทําอะไรมีมากมายในพุทธประวัตินะแต่เราไม่ เราคงจะพูดในการค้นคว้าศึกษายาวเกินไปแต่เราพูดเฉพาะวันที่ว่าท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพ็นนั้นน่ะท่านได้ตัดรู้อะไรในวันนั้นที่วันท่านที่ว่าท่านได้สําเร็จ อ, อในวันนั้นอะ่ะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิวันเดือนหกเพน็นพระอาทิตย์ยังไม่อัดะดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นนายโสวิยะ คงจะไปเกี่ยวหญ้าคามั้งมาหมู่บ้านของเขานั่นก็หาบมาพอมาหาบมามาเห็นสิทธทะนั่งอยู่ตามลําพังอยู่โคนต้นโพโสดทิยาเลยเออเกิดความเคารพเลื่อมใสเพราะเห็นว่าต้นโพเนี่ยคงจะเป็นรากตะปุ่มตะปำเนี่ยพวกเราเห็นต้นโพเก่าแก่นะฮะ เ, เห็นรากมันก็มันลอยขึ้นมาก็คงจะนั่งไม่สะดวกนะนายโสดทิยา ก, าก็นกเอาหญ้าคาเข้าไปไปถวายแปดกำมือ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 เราให่มีสติอยู่เดี๋ยวนี้ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นจิตของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งใจนิ่งเห็นพอใจนิ่งขึ้นมาพระ อ, องค์ก็พอจบใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณเกิดฌานเกิดญาณทัศนะเกิดความรู้ขึ้นมาในขณะที่จิตสงบเนี่ยพอสมาธินี่ยฌานเป็นผลคอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบสักก่อนจะไม่เกิดฌาน เพราะนั้นฌานเป็นผลปลอยได้จากสมาธิสมาธิคือจิตสงบซะก่อนแล้วเกิดญ า, าณทัศนะเพราะเกิดฌานขึ้นมาแล้วก็ระลึกชาติชาติที่แล้วเนี่ยบอกปุกเพเนวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าทะลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตของพวกเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ยังไง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 พ, พระพุทธองค์เขรู้อีกในเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรมว่าได้ตัดสรู้ธรรมเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพนทิยานได้ตัดสรู้ พ, พระพุทธองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่เกิดอีกแล้วเราชำระใจของเรากิเลสราคะโทสะโมหะขาดกระจุยกระจายออกจากใจของเราแล้วตัวที่จะทําให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่บัดนี้เราได้กําจัดออกหมดแล้ว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 นี่ก็เหมือนกันใจของพระ อ, องค์ที่ท่านชำระทิเลทร่าฆโทสะโมหะกับลักษณะอย่างนั้นแหละย่ำวันนิพพานังปรามังศูญอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูญเชื้อเชื้อที่จะพานำให้ปไปเกิดใะะนวะัฏสงสารศูนย์หมดแล้วนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใดเพราะว่าสิ่งที่จะนํามาทำจิตมากวนจิตมากวนใจของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธ อ, องค์ตัดออกแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมากวนกิกวนใจของพระองค์อีกแล้วนั่นแหละจังวัดนิพพานนั่งระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้ฝอยนั้นพวกเราทุกทกท่านนะสตาญาติโยมทุกคนนะธรรมะปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยมีที่สิ้นสุดแต่พวกเรามาปฏิบัติหรือว่าสนใจในภาคปฏิบัติมีที่สิ้นสุดอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราเป็นครวญญาติโยมก็ แนะนำสั่งสอนลูกหลานให้แนะนาสั่งสอนลูกหลานเออลูกหลานเลยพวกเราอยู่ในโลกเนะี่ยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อต่อโลกเขาหน้าเมื่อเราอยู่ในโลก เ, ออเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับโลกวัฏตตสงสารเขาการ ท, ที่จะพัฒนาสภาพัดมาถามหลวงพ่อว่าการที่จะพัฒนาประเทศชาติ เ, เราจะพัฒนาจุดไหนเมื่อที่จะถูกจุดผมจะเขียนแขนสิบครับหลวงพอ่อเขาถามนะ หลวงพ่อก็บอกว่าต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนดีแล้วสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะดีไปด้วยถ้าว่าคนไม่ดีถึงจะพัฒนาสิ่งอื่นตึกรานบ้านช่องเหลืองอา a ามไปด้วยเพ็กนินกินดาแต่คนในชาติขาดคุณภาพขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเต็มไปด้วยกินเหล้าเมายายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนช่วยชาติเสียหายไม่ได้พัฒนาคน มีแต่พัฒนาแต่ด้านวัตถุนั่นแหละพอวัตถุขึ้นมาเหลืองอลามขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้แหละพวกมนุษย์ทั้งหลายนี่ที่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมนี่น่ะนขาดคุณธรรมเลยจะไปรื้เพ็กนินจินดาเหล่านั้นออกมาขายกินมดนั่นนะเพราะนั้นต้องพัฒนาคนก่อนนะถ้าว่าคนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพลอยดีไปด้วย ห, หลวงพ่อว่านะและก็พร้อมกันก็ให้พัฒนาดูให้ดูสิ่งแวดล้อม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 ก็กลับมามาบ้านแล้วก็เห็นพ่อป่วยคงพ่อป่วยนหนักพ่อเหนือคงจะป่วยก็คงจะคอยลูกชายมั้งยังไม่ตายเพราะงั้นแต่ลูกชายก็มาเห็นมาเห็นพ่อพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ลูกเอ้พ่อขอสั่งเสียลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกนะให้ลูกเขารถทิศทางหกนะลูกนะอันนี้เป็นวาจาของพ่อที่สั่งลูกพราะไม่มีเวลาที่จะพูดให้ละเอียดยาว พ่อมีแต่สั่งเสียว่าให้เคารพทิศทั้งหกนะลูกนะให้คาระวะทิศทั้งหกนะให้นอบน้อมทิศทั้งหกนะถ้าหาว่าลูกเคารพคาระวะนอบน้อมทิศทั้งหกความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับลูกการบริหารจัด ก, การทรัพย์สมบัติที่พ่อจะมอบให้เนี่ยตระกูลของเราก็จะไปได้ดีแต่ถ้าว่าลูกทําไม่ถูกมไม่คาระวะไม่อ่อนน้อมต่อทิศทั้งหกความหายยนะ ก, ก็จะเข้ามาสู่ตระกูลของเราได้ง่ายนะลูกนะ ให้ฟังไว้เน้อลูกเน่อให้เชื่อทักฟังคำคำของพ่อนะลูกเน่อ mm hmm. พอพูดเท่นั้น mm hmm. พ่อขใจขาดตายไปพอตายไปแล้วก็ลูกชายที่เป็นสิงค์คมานพเนี่ยบอโอ้ตายพ่อเนี่สั่งเสียจริงจังเหลือเกินให้คาระวะเคารพน่อบน้อมทิศทางหกข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดในบิดาของข้าพเจ้าสั่งเนี่ยเพราะท่านสั่งเสียอย่างจริงจังเหลือเกินจากนั้น สินคาแล้วมานบก็จัด ก, การศพปิดาของตนเองให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกไปเลยทีนี้ไปเคารพคารวะนอบน้อมทิศทั้งหกประการพอไปถึงในชายป่าไม่ว่าฝนตกไม่ว่าแดดออกไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนเหมือนกันเถอะเขาจะไม่ให้ขาดแม้แตะวันเดียวพอไปถึงแล้วเขาก็ยกมือไหว้ทั้งทิศ ต, ตะวันออกแล้วกับไหว้ทิศ ต, ตะวันตกไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้ ไหว้ทิศเบื้องบนฟ้าอากาศไหว้ทิศแผ่นดินเมืองนั้นเถอะมันครบครพอดีใช่ไหมตามปกติมันจะต้องทิศทั้งสี่เองั่นเถอะอันนี้สิงคาลมานพไหว้ทิศทั้งหกเมืงนั่นเถอะทำอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่เคยขาดเพราะเป็นคําสั่งบิดาของตนเองสั่งด้วยจริงจังแต่ พ, พระพุทธเจ้าท่านอยู่วัดเวรุวันกรุงราชาคฤห์ท่านเหมโอสิงคาลมานพเนี่ยทำไม่ถูกตามอริยะประเพณี แต่เขาผมไม่รู้เพราะบิดาเขาไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าทิศทั้งหกนั่นคืออะไรวันนี้แหละเราจะไปพบพูดกับเขาทำความเข้าใจกับเขา <S <S เขาก็เป็นคนมีศรัทธาอยู่ <S 1> <S 1> เด็กหนุ่มคนนี้เหมือนกันเพราะตัองค์ได้ไปบินทบาทกับพระอานนุนพอไปก็เดินผ่านเขาพอผ่านไปเห็นสิงหารมานพเอาไหว้วทิศทั้งหกอย่างที่ว่านั่ น, นตะวันทางทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แล้วก็เบื้องสูงเบื้องต่า เหมือนกับพวกเราออกออกกําลังไทยเก็กอย่างนั้นละว่า ง, งั้นแต่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอะไรเอแต่ว่าตัวเองีรู้ว่าวาดทิศทั้งหกว่า ง, งั้นแต่ะพราะพระพองค์ก็เดินผ่านไปพระพองค์ก็ถามว่ามานพสิงคลา ม, มานพเธอทําอะไรมานพก็ตอบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะถูกไหมนะ่ะใครเป็นคนบอกให้ทําบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจเข้าออกนะ่ะ ตอนที่ท่านจะตายท่านก็นสั่งกับผมว่าให้ไหว้ทิศตังนะ้งหกเน้าถ้าไหว้ทิศตั้งหกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะถ้าไม่เคารพไม่หนกน้อมทิศตั้งหกจะหาความรุ่งเรืองไม่ได้ในการบริหารจัด ก, การการเป็นอยู่ตระกูลของเราข้าพระองค์จริงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดข้าเจ้าข่าเพราะพระพองค์บอกว่ามันถูกไหมไหว้ทิศตั้งหกอย่นั้นตามอริยะประเพณีตามทํานองครองธรรมมาแล้วมันไม่ถูกนะมนก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 พวกเราก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาต้องตอบแทนตระกุลของท่า น, เ, นเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละคือหน้าที่ของลูกให้ปฏิบัติให้ถูกนะที่เบื้องหลังสามีภรรยาถ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดก็ตามออกนอกลูก่นอกทางสามีก็ไปอีกแบบหนึ่ง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 เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามด้วยเรียนศิลปะวิทยาจากครูบาอาจารย์อย่าเมินเฉยเวลาเห็นครูบาอาจารย์ถ้าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาก็เข้าไปยืนต้อนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามและก็ด้วยเรียนศิลปะวิทยาสิ่งไหนที่ครูบาอาจารย์ยังสอนยังค้างค้างอยู่เขาก็จะให้วิชาอนั้นให้แก่เราเข้าไปอีกพวกเราจะได้วิชาจากครูบาอาจารย์ ชีวิตของพวกเราก็จะสูงขึ้นเมื่อได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ลิดเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาแล้วจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีมิตรไม่มิสหายนะเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้มิตรสหายคือกรารร a y a มิตรมิตรที่ดีงามออคบมิตรที่ดีงามถ้ามิตรเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างนั้นออไม่หักหลังเขาไม่คดโกงเขา เชื่อถือนับถือตลอดวงของมิตรสหายอีกมีอะไรก็แบ่งปันให้มิสหายอยู่กินมิสหายก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าว่าคนมีมิตรสหายที่ดีมีหมู่เพื่อนที่ดีแล้วนั่นแหละความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นทิศเบื้องต่าคนรับใช้คนงานแอ้คนรับใช้คนงานของเราเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาให้อาหารรางวันแอ้รางวันแก่เขา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 อันนี้คือพวกเบาพวกคนงานพวกคนรับใช้เหลรานะที่เปื้องบนสมณพราหมสมณพราหมณ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะพลาดถ้าจะว่าไปก็คือสมณพรามณ์เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าชัฏาญาติโยมลูกหลานเข้ามาหาจะต้องแนะนําสั่งสอนเออสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สู่นั่นลูกหลานนะตายแล้วเกิดอีกนะอย่างลวงพ่อพูดเอง ปุเพเนวาสานุสิติยาและลึกชาติผลหลังได้อย่างเนี้ยเอานํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวตายและไม่สูญนะจิตใจออกจากร่างจากร่างกายไปนะนี่นี่แหละคือสัมมาณพรามณ์ท่านจะแนะนําสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาบุลคุณโทษเป็นผู้ชี้นําของชีวิตของพวกเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าสัมมณาณพราหมณถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกในทิศทั้งหนะความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วมีแต่ความหายยนะน่ะคือความกิบหายจะเข้ามาใกล้พวกเราคิดเบื้องหน้าปฏิบัติไม่ถูกต่อบิดามัรดาเป็นไงท่านไล่ออกจากกองมรุกท่านไม่ให้เข้าไปใกล้ท่าน เ, าเราจะมีความสุขไหมเพราะเราดื้อด้านดื้อรั้นไม่ยอมฟังทิฏฐิมานะามีอะไรก็ข่มขูท่านจะเบียดเบียนแต่ท่านท่านไม่ให้เข้าไปใกล้คิดดูสิว่าตัวเองจะเป็นยังไงหาความราบเรื่องในชีวิตไม่ได้ เพราะนั้นปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาก็เหมือนกันสามีภรรยาแตกแยกสมัคคีแลว้วม่มีความปองรองกันและหาความไม่ได้อีกเหมือนกันทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําพวกปริวารก็เหมือนกันทิศเบื้องบนสัมภณะพราหม์เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายสาัตยาญาติโยมทุกท่านนาะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้ปฏิบัติให้ถูกเลืออย่างน้อยก็สอนลูกสอนหลาน ให้ทรงวงสาคณญญาตให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอืง่นพระพุทธเจ้าได้ไปพิสูจน์แล้วที่โคนต้นโพนั่นนะถึง6กปีได้ตัดรู้ธรรมในวันนั้นจังได้นำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศรรึกษาพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญ เ, เมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นอันหนึ่ง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 รถลูกสูบติดอย่างเนี้ยถึงจะโชเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็นขับเคลื่อนไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะรถมันเสียดังนะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจตาญ่ายโยมหน้าแล้วก็วิธีการปฏิบัติอยู่ในบ้านในเมืองก็ในบ้านในเรือนก็เนะี่ยไหว้พระสวดมนต์อารหังสวากาโตสุปฏิปัปโนโนนี่แหละให้ไหว้พระทุกวีทุกวันจากนั้นก็นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระพุทธเจ้านั่งอย่างไงเนี่ยนั่งอย่างพระประธานเรานั่งนั่งอย่างนี้ละ่ะ จากนั้นกับวลีกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ทําจิตใจให้สงบถ้าคนจิตใจสงบดีแล้วนะั่ะจิตใจจะไม่ปุ่งฟุ้งซ่านไม่เป็นบ้าพูดง่ายๆถ้าคนสติไม่อยู่กับตัวสติไม่อยู่คับเนื้อกับตัวจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านออกไปกนเหมือนกับว่าเชือกขาดนะนี่มีแต่อาศัยย า, ท า, ยยาเท่านั้นอาศัยยาก็เท่านั้นแหละมันสู้สติของเราไม่ได้ทนะ่านสติเราฝึกไว้อยู่เสมอ สติมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่เสมอคนนั้นจะไม่ว้าเหวีอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม น, นะไอ้่อยนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนำธรรมะทำคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเนอะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าปฏิบัติได้นะถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ได้เยไม่ปฏิบัติต่อศีลลธรรมแล้วเอจิตใจของเราก็ปล่อยไปตามยถากรรมว้าเหวีอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม แล้วก็ไม่มั่นใจอีกต่างหากว่าตายแล้วจะไปยังไงพรอมใจไม่มีจุดยึดนะแต่ถ้าพวกเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละพวกเราจะเห็นช่องเห็นทางจิตใจข อ, ของเราก็จะเย็นสบายมีความสุขนะตายก็าตายแล้วเกิดมาตายวะเอบยอมวางได้เลยแล้วว่างั้นเถอะเพราะเหตุอะไรเพราะตายไปแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทําความชั่วที่ไหนมีแต่สั่งสมคุณงามความดีอยู่แล้ว ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าว่าเราทําแต่กรรมชั่วเสียหายนะเอพอตายไปแล้วโอ้ข้าจะไปที่ไหนนอนี่ในชาตินี้ข้ามีแต่ทำกรรมชั่วบุญกุศลข้าไม่ได้ทําเลยเนี่ยอย่างนี้ผิดใจของเราคืว่าเวอ้างว่างเงียบเงาเศร้าซึมเออตัวนที่จะหนีออกจากร่างกายไปเนมทรัพสมบัติไม่อยู่ในกระเป๋าเลยแห้งไปหมดเนี่ยไม่ได้คิดหาเงินใส่กระเป๋าเลยคิดว่าตายแล้วเกิดที่ตายแล้วศูญเขาไม่ได้คิดอีกต่างหากอยู่เป็นวี่วีวันวันไป แก็มาถึงจุดจบแล้วก่อนนั่นแหละเออยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนะให้ทั้งอกทั้งใจน่าทายาิโยมนะวันนี้ทั้งพูดทั้งร้อนโดยบนชลาของหลวงพอ่อเอ า, เอาละพอสมควรกับเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัะนารใยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราผู้สูงอายุทั้งหลาย ขอให้ประสบอายุวันนสุขาภาละปฏิพ า, านธนสารสมบัติปราถนาสิงใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศิลธรรมเก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทิน